ท่านพุทธศาสนิกนชนทั้งหลายเมืวานนี้เสียงมันแย่เสิร์ฟหามันติดคอวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องราวของมรนางเมริกาทีวีต่อไปพรรนางมริกาเทวีนี่เขาให้ชื่อว่าเป็นจอมแก่งการให้ทานท่านผู้รู้บอกว่าในสมัยทุกชาติที่แด่งเกิดมาถ้านนิยมในการให้ทานมาก มีบางครั้งขั้ในวาระหนึ่งที่บอกว่าสมัยนั้นจนแสนจนสามีฟันดินทำไร่ท่านเองก็ห่มผ้าสบายแบดงมานุ่มผ้าเก่าๆหาบกระเช้าไปส่งสาเช้าข้าวไปส่งสามีอุ้มลูกไปด้วยไปถึงเมื่อส่งกระเช้าเข้าให้บางลูกวางก็ฟันดินต่อไป นึงแม้ว่าจนแสนจนขนาดนั้นถ้าคนที่มีความยากจนเข้นใจมีความหิวโหยมากู้สาแบ่งทรัพย์สินอาหารถ้า ม, มีอยู่เล็กน้อยให้แกเขาเป็นการบรรเทาความทุกข์นี่กำลังใจของคนที่มีความดีหนักในที่สถานในทานเขาเป็นอย่างนี้รวมความว่าวันเวลาที่พร ะ, พระเจ้าประเศนนาทีกษศลเขาต่อมาวานนี้นะ ถ้าไหวาทานอธิษฐานในองค์สมเด็จพระสัมมาทัมมตุติเจ้าถ้าบรรดาพระสงฆ์ทั้งปวงเมื่อถ้าไหวเสร็จชาวบ้านก็เจ้งทีเจ้าที่ไหนมาละ่ะจะเอาพระและจะเอาเจ้าหญิงที่ไหนมานั่งพัดให้กับพระมาจ่าการให้กับพระนี่แพนหนึ่งสองเจ้าช่างที่ไหนมาเป็นร้อยเป็นพันเชือกสาม จ่ ก, กล้าสละทองทำเรือทองคำอันนี้มันเป็นไปไม่ได้ชาวบ้านก็ต้องถือว่ายอมแพ้พระราชาแต่ก็ยอมแพ้แต่วัตถุแี่กำลังใจไม่ยอมแพ้ก็ยังถวายทายันเป็นปกติอันนี้มันมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไม่จบวานะมันจบไม่ได้เพราะเรื่องสำคัญมีอยู่ว่าในขณะที่พระราชาให้ทาน มันมีสองคนอยู่สองคนมีอารมณ์ชั่วเธอคนดีมีที่ไหนคนชั่วก็มีที่นั่นคือในเร่โบราณนะบอกน้ำถึงไหนปลาถึงนั่นฉะนั้นขอบันดาทแานพุทธบริษัททุทกท่านถ้าแยคบหาสมาคมกับคนเราถือว่าเขาเป็นที่รักสำหรับเรา แต่ส่วนหนึ่งเข้าใจคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าคนที่มีกิเลสอาจจะประกาศตนเป็นศัตรูกับเราก็ได้ความจริงเรื่องนี้ผมโดนมาหนักให้กินแล้วก็กลับไม่จะขี้ไปต้องขา่ามันจะฆ่าผมทำใม้เยอะแยะแต่ผมก็เฉยๆถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ก็ไม่แน่นักถ้ากค่ลงมาจะฆ่าจริงจะวิ่งหนีก็หนีไม่ไหวก็ไม่ทราบเพรายังไม่แน่ในตอนนั้น <c oughs> อันนี้จะลองกันไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไประกาศตนว่าผมเป็นพระอรหันต์ถ้าไปทำกันหนักหนักเข้ามันก็เหม็นแน่สุนัขจน ท, นทรอกอาจจะหนักกว่าสุนัขที่วิ่งได้ก็ได้ถ้ามีเรื่องอะรอยู่ว่าก็อามาตย์ของพระราชาของพ ร, ระเจ้าประเสเส้นที่โคตรูงนั้นมีอยู่สองคนอามาตย์สองคนนี้เป็นอามาตย์เลวมีกําลังใจไม่เท่ากับชาวบ้านและไม่เท่ากับสัตย์เดชฉานตัวเล็กๆที่มีจิตเมตตา คือหนึ่งกาลอมัดหนึ่งและก็ชุนหาอมัดหนึ่งท่านบอกอมัดสองคนนี้กาลอมัดคิดว่าการที่พระราชาให้ทานหนักอย่างนี้ความเสื่อมแห่งตระกูลและความหมดสิ้นไปแห่งทรัพย์สิบสี่โกดและความสิ้นไปโดยวันก็หมดไปแค่วันเดียวท่านานั้นพลานทรัพย์สินของรัชดอนข้ประชาชน เร่งว่าพันเอฟสินทรัพย์สินต่างๆมันอาจจะเป็นภาษีก่อนเขาประชาถึงกระน้นซีดหลานเสียหมดพระราชาไม่เป็นเรื่องท่านบอกว่าบรรดาพระเหล่านี้บริกรแล้วบริโภคแล้วก็จะกลับไปนอนหลับไม่เคยก่อประโยชน์อะไรแก่ประเทศชาติไม่น่าจะเลี้ยงแล้วคิดตอบไปว่าโอ๋หนอพระราชาราชกูลในชีพหายแล้วหมด หมดทุนหมดร้อนหมดกันแค่นี้บรรลัยใช้เงินที่ยทองเที่ยบ้านหมดคำตาหนิพระราชาตาหนิทานเขาพระราชานันกาลธรมาตเนยะคนชั่วคนที่หนึ่งสำหรับคนชั่วคนที่สองคือชนอรรมาตเขาคิดว่าทานที่พระราชาได้ถวายแล้วใครๆก็ไม่ดํารงในความเป็นพระราชาหมายความว่า ถ้าทําสมดแบบนี้แล้วความเวลาชาจะมีจะได้อย่างไงมันหมดเนื้อหมดตัวแต่ความจริงเขาไม่ทราบทรัพย์สินทรัพย์สินที่เป็นภาษีก่อนเขาจะบ้านมาจะส่วนหนึ่งในบัญชีแต่ทรัพย์สินที่เวราชานํามานี้อาจจะเป็นทรัพย์สินดั้งเดิมของท่านเขาคิดหมดบรรลัแน่ทําแบบนี้ไม่จะเป็นเรื่องและไอ้บุญเลยมลยมเลยยมแบบนี้เป็นไรเท่าทุนบุญก็บแบบนี้ล้างผลานแบบนี้ ไอ้ที่ว่าพระราชาไม่มีส่วนบุญกษัตริย์แต่หมายความว่าบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีส่วนได้บุญเลยมีแต่พระขี้เกียจนั่งกินเท่นั้นไม่มีประโยชน์เราไม่โมทนาฐานนี้คือเราไม่ยินดีด้วยในใจขอรับคานแต่ไม่กล้าพูดพูดไม่ได้ดีไม่ดีสมัยนั่นสั่งประหารที่พิก ง, ง่ายๆในที่สุดหมายความเวลาที่สมเด็จโตสา ม, มาพระเจ้าฉันเสร็จ พระราชาก็สรงรับบาตเพื่อต้องการจะฟังการโมทนาไอโมทนาพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ว่าจะถาสภาีทันเถิดแต่ก็ผลิตพระสัมมาพุทธเจ้าก็ทรงนำหนุว่าพระราชาถวายมหาทานก็เหมือนกับให้ห้วงน้ําใหญ่จะ บ, บรรดาประชาชนใครจะอาบจะกินจะเล่นกนได้มหาชนจะได้อาดเพื่อจะทําจิตให้เรื่อมใส ที่ที่ไม่ยอมเลื่อมใสและมีก็ไม่มีก็ทรงทราบว่าระนาจิตของอมตะทั้งหลายเรานั้นสองคนและก็ทรงทราบว่าถ้าเราจะทำโมทนาให้สมควรแก่ฐานของพระราชาให้บาปอกุศลที่คนสองคนคือกาและอมหมากัชุนาอมตะจะต้องหัวจะต้องแตกเกิดเสียง เรากําลังบุญใหญ่ของพ ร, ระเจ้าประสเส้ น, นที่กสนและพระ น, นางมณิกาทีวีคือว่ากาและอามัตนี่จะโหยแตกเก็ดเสียงสำหรับชุนอามาตยอขอพระโทษเลชุนอาามาตได้กลับเป็นคนดีไปนะท่านคิดว่าถ้าเราโมทนาเวลานี้ขอโทษที่พูดไปเมื่อกี้นี่อาจจะพลาดไปเพรว่ากาและอามาตย์นี่คิดเร็วมากแล้วก็เร็วถอนตัวไม่ออก นักทุน า, า, ารรมะได้คิดไม่เห็นว่าไม่เป็นเรื่องเหมือนกันแต่ถ้ า, ถ, าถ้าโมทนาถ้าทรงเทศให้เข้าใจในเรื่องบุญกุศลอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าพูดโมทนาจะไม่เข้าใจโมทนาคือพูดให้ฟังว่าบุญกุศลที่ทําแล้วคราวนี้จะมีผลเป็นรปการใดนีเิยการและธรรมะในคนเลวมากจิตสา ม, มารถบาปหนักถ้าทงเทศจบโหจะแตกเก็ดเสียง แต่สำหรับชนละหมาดนั่นชนละหมาดนะถ้าคนนี้เลวในตอนต้นแต่วความดีมีอยู่ถ้าโมทนาเสร็จเธอจะได้บรรลุมรรคผลคือเป็นปโสดาบันเป็นโสดาปฏิผลนี่สำหรับพระพุทธเจ้าเองทรงทราบอาศัยการอนุเคราะห์สงเคราะห์กับชนกับการอะหมาด หมายความว่าเธอไม่ควรจะมาต้องตายชั่วเวลานี้สมเด็จพระจินาสีติงได้ตรัสคาถาสี่บาทนั้นแต่ิงได้กล่าวคาถาแค่สีบส่บาทเท่านั้นสี่บาททีมาสีว่วักวักลงไปคำอย่างกระศั์ว่าอัตตาหิอัตโนทาโถนี่เป็นหนึ่งบาทโกหินาโถโรุสียาอันนีหนึ่งบาท อาจาหิสุทันเตนเอ่อินีหนึ่งบาทนาทางนาังนภตุนภพนี่หนึ่งบาทสีว่วคนี่เขาเรีสี่บาทโระ จ, จ้าจมโมธนาน ย, อ, ย, อ, ยอดยอดเด็กกระถาสี่บาทแต่ท่านจะว่ายัางไงบาลีไม่จะบอกพระราชาสมถวายทานเห็นข น, ขนาดขนาดนี้เป็นว่าพระเจ้าประสเสนาธิโกศุณท่ก็คิดว่าเราให้ทานขนาดที่ชบไมนก็ทำไม่ได้อย่างนี้สมเด็จพระเยนศรีกับให้โมทนา ยอ่ยอย่อนิดเดียวไม่เป็นเรื่องเมื่อพระพุทธเจ้าทรงลากลับไปสู่ประเชตวันพระเจ้าระเกษนาที่กฤตสงก็ตามมาพระพุทธเจ้าไปด้วยที่ตามไปไม่ใช่จะวิทวงโมทนาว่าให้ตั้งเยอะทําไมชมกันน้อยนักทําไมโมทนากันน้อยนักมันไม่สงค์ควรทานที่เราให้ ก็ไปถึงแล้วนะที่ดันทิสุดทั้งหลายถามอา่าเขาก็พอหลังจากนั้นพระราชาก็ตามสเสด็จตามไปไปถึงวิหารอาสนะสวิหารอีตอนนั้นบรรดาพระทั้งหลายถามพระองค์รีมานว่าพวกมีอายุท่านเห็นช่างดุร้ายที่ยืนทรงสเสวิกชัดท่านไม่กลัวช่างเลยครับ พระ อ, องค์รีมานให้ก็ตอบว่าผู้มีอายุทั้งหลายผมไม่กลัวบรรดาพระทั้งหลายเล่านั้นก็ถามต่อไปว่าเข้าเฝ้าบรรดาพระทั้งหลายเท่านั้นเข้าเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วกล่าวถุนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านองค์ริมานยปยากรความเบื่อหนตาผลของตน คำว่าไม่กลัวช่างไม่กลัวตายเนี่ยคนที่ไม่กลัวเราจะมีเฉพาะพระพุทธเจ้าพระหันพระเจ้าจากักรพรรดิแล้วก็ช่างตัวโ่สงครามนการองค์ริมานบอกให้กลัวแสดงว่าตัวเองเป็นทหารพระก็ไปเชนเล่นไปกราทุนพระเจ้าพระพุทธเจ้า จ, าจึงนี้ทรงตรัสว่าพิสุทิ์ทั้งหลายผู้เช่นกับบุตรของเราเสมอได้โคตัวประเสรศิฐ ในระหว่างแห่งโคผู้โคตัวผู้คือพระขีนอาศพทั้งหลายพระขีนอาศพในหมายทาี่พระอรหันต์วิกิยเดสิ้นแล้วย่อมไม่กลัวดังนี้แล้วจึงตัดเป็นคาถาเรตัดเป็นเป็นคาถ า, าในพรามหนวักว่าเรากล่าวว่าเรากล่าวบุคคลผู้องอาจผู้ประเสริฐผู้แก้วกลา้าผู้แสวงหาคุณอันใหญ่ พูดชนะโดยเศษพูดไม่หวัน่นผู้ไม่หวั่นไว้พูดล้างแล้วผู้ตัดสรุแล้วนั่นว่าเป็นพรานนี่เป็นภาสิทธ์นะทิ้งกึางกลางกลางเอาคนแล้วเพราะอ่านหนังสือเรื่องนี้ปล่อยหนังสือไม่ได้กูจะเลอะเธอะท่านกล่าวต่อไปว่าจำนวนอาจจะไม่ดีอยู่บ้างของงอภัยนะท่านกล่าวว่าแม่พระราคือพระเจ้าประเสริฐนิทิโกศนก็ทรงเสียประทศไทย คิดว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่อนุโมทนาให้สมควรกับเราผู้ถวายทานแล้วยืนอยู่ท่ามกลางบริษัท ต, ตรับเพียงกระถาเล็กน้อยเท่านั้นสเสด็จลูกอาสนะไปเราจากเป็นอันไม่ทําทานให้สมควรกับพระศาสดาหรือ หมายความว่าท่านจัดเล็กน้อยท่านก็ไปแสดงว่าทานให้ต้องบะเลยขนาดนี้ไม่สมควรกับศักดิ์ศรีขององค์ได้ยังไงอันนี้อารมณ์ใจคนไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าหมดกิเลสพระเจ้าประเสพหน้าที่กสนเป็นพระโพธิสัตว์ยังมีกิเลสต่ำเต็มเป่าก็คิดน้อยใจไม่ได้ไม่ได้ไมนต้องไปทวงทานถ้าเนก็ทาทานอันไม่สมควรหมายความทานเนี่ยท่านเห็นไม่สมควรได้ยังไง เราเราจะเป็นอันไม่ถวายกับปรยียภัณฑ์ถวายแต่จะเอากับปรยียะไมพันุ์ถ่ายเดียวแล้วหรือที่ก็หมายความวทานที่ให้มันจะมีของไม่ควรบ้างเลยที่งไงของที่สมควรเราไม่ได้ให้ได้ยังไทงท่านจึงไม่มดธนาให้ดี<ม>เป็นอนุ瓦ท่านจะต้องติดเป็นอนุว่าพระเจ้าประเสริฐในที่กุศล เป็นผู้อันที่พระเจ้าพระพระู้เป็เจ้าอาจจะคุ้นเคืองได้ยังไงกันแน่จริงไม่บทนานี่หนังสือท่านย้อนไปย้อนมาผมก็เชื่อลำคาญเหมือนกันเน่ะอ้าเขาเลยไปเลยหนังสือว่าย้อนไปย้อนมายุ่งจริงๆพระเจ้าประเสริฐนาฏิกุศลที่สเสด็จไปสูวิหารถาวายบางคมสมบุติพระผู้มีรพระภาคเจ้าแล้วได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ทานที่ถวายเนะีมันไม่ควรได้ยังไงจงได้ให้พรนิดเดียวพระพระพุทธเจ้าจะในสนทดว่านี่หมายความเป็นยังไงกันนะพระเจ้าปรเสริฐนิสงโกสล ก, ก็ตอบว่าพระองค์เนะ่ยให้พรหน่อยเดียวมันไม่สมควรกับทานที่ข้าพเจ้าถวายทานอย่างนี้ใครๆก็ทําไม่ได้น่าจะให้พรมากๆ พระผู้มีพระพายเจ้าจึงได้ตรัสว่าพระมหาบพิษพระองค์ถวายทานสมควรแล้วแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดทานประเภทนี้ก็ชื่อเรียกชื่อว่าอาทิษทานใครใคที่จะอาจพิถวายแก่พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งหมายความคนที่สามารถจะถวายพระเจ้าองค์หนึ่งมีครั้งเดียวไม่มีการซ้ำสองไม่มีการถวายได้อีก และก็เป็นธรรมดาที่ทานประเภทนี้ยากที่บุคคลจะถวายเมื่อเป็นเช่นนั้นพระเจ้าประเสนาธิคุณสนี้ ก, นนากราบทูลว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงไม่ทรงธทรรมโมทนาให้สมควรกับทานข้หมอมฉันพระเจ้าค่ะพราผู้มีพระพ่ายเจ้ากระสนตรัสว่าเพราะบริษัทไม่บริสุทธิ์พระมหาบุพพิธนบรรดาพระเนทฟังรับฟังมดนะ ถ้าคนที่เขาไม่เต็มใจเขาไม่เห็นด้วยอย่าไปยุ่งกับเขาไม่จําเป็นคนที่ไม่ชอบทําบุญอยา่าไปชวนทําบุญเฉยๆให้เขาทาบุญด้วยศรัทธาและเมื่อเขาไม่มีศรัทธามันทรัพย์สินเขาไปดึงเขาก็กําลังใจยยอย่าเศมองเป็นพระเจ้าประเสริฐนี่ที่กุศก็ถามต่อไปว่าทําไมบริษัทคนทั้งหลายเหล่านั้นเขามีโทษอะไรหรือพระเจ้าค่ะ ลำดับนั้นสมเด็จพระผู้มีพระภายเจ้าจึงบอกว่ารจิตคือความรู้สึกการนึกคิดของอัมมาทั้งสองแล้วตัดบอกความที่อนุโมทนาอันพระองค์อาศัยความอนุเคราะห์ในการอัมมาแต่ขืนโมทนาเต็มอัตราการอัมมาจะหัวแตเกเจ็ดรเสียงแต่ว่าชุนาั ม, มัาจะเป็นปสวดาบันก็เป็นนั้นว่าความรู้สึกทั้งคนทั้งคนนั้นมีเจตนามาเสมอกัน กาละมัดมีความรู้สึกเป็นศัตรูกับพระราชาศัตรูกับทานแต่ชุนหามัด ถ, ถึงแม้ว่าจะรู้สไทยทานนี่จะสลายตัวมากก็ไม่เป็นไรช่างไปเรื่องพระราชาแต่กตินึกติในใจพระราชาจึงได้ตัดถามว่ากาละมัดจึงได้เรียกกาละหมัดเข้ามานะ่ะเมื่อพระเจา้าทรงตัดแบบนั้นแล้วก็จึงได้เรียกกาละหมัดเข้ามา ถามว่ายิงขาวว่าขณะที่ฉันทำทานเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเครกรกาบทูลว่าจริงที่นี้ตัดว่าเมื่อเราพร้อมกับบุญพญาของเราไม่ได้ถือเอาทรัพย์สมบัติของไข่ของเธอมาให้ทานฉันให้ของของฉันที่มีอยู่เป็นทรัพย์สินส่วนตัว ไม่ได้เเงินภาเียก่อนมาให้ซับพ่อซับแม่ให้ซัพไอ้ทั้งทาได้ก่อนเป็นพระราชาและอาชีพใดๆที่มีมาฉันจัดเฉพาะซับเหล่านั้นมันไม่เด็้เบียดเบียนอะไรแกเธอเลยนี่แล้วสิ่งใดที่ฉันให้แก่เธอแล้วสิ่งนั้นก็เป็นธรรมชาตฉันให้เลยไม่ถึงไม่คืนทวงมาแต่ว่าตั้งแต่บัดนี้นต้นไปนะเมื่อกําลังใจเราไม่เสมอกัน ฉันชอบให้ทานเธอทอบด่าทานเธอจงออกไปจากแว่งแคลงของฉันทรัพย์สมบัติที่ฉันให้อภไปให้หมดฉันไม่ริดแต่เธออยู่ที่นี่ไม่ได้จึงได้ส่งเนรเทศกาลมามัดและออกจากแว่แงแคลงแล้วก็รับสั่งนีชุนหะ ม, มัดชุนหะอามัดมาถ้าถามว่ายินว่าเวลาที่ฉันให้ทานเน่ยเธอคิดอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็บอกว่า ใช่พระเจ้าค่ะถ้าสงสัยก็ฟังหน้าก่อนนะเขาคิดยังไตงตียงตัดว่าดีแล้วลงเราเรื่อมใสขอบใจท่านยอรับราชสมบัติข้อเราฉันให้เธอเป็นพระราชาแทนฉันเจ็ดวันเจ็ดวันนี้ฉันจะมีหน้าที่เป็นชาว บ, บ้านคือเป็นรัศดรเตรียมขั้นอำนาจแห่งความเป็นพระราชาการจับจ่ายทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของเธอเมือหน้าเจ็ดวัน แล้วเธอจงให้ทานสิ้นเจ็ดวันโดย น, น้ำนอนที่เราให้แล้วนั่นแหละทรงมอบราชสมบัติแก่เขาสิ้นเจ็ดวันแล้วจึงได้กราบทูลพระสัทธรรว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเขาองค์จงทอดเระเนิจการกระทําของคนผ่านเขาได้ให้ความลบหลู่ในทานที่ม่อมฉันถวายแล้วอย่างนี้อันนีค้คงไม่มีข้อคิดอะไรจะมาก <c oughs> พระสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสลายเป็นอย่างนั้นพระมหาบุพิกขึ้นชื่อว่าคนผ่านไม่เคยยินดีในทานด้วยความดีของผู้อื่นเป็นผู้มีทุกคติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าหมายกว่าอยู่ก็มีแต่ความทุกข์คนผ่านตายแลว้วก็ทุกข์ส่วนผู้นักราชอนุโมทนาทานแม่ของชนเราอื่น เขื่อก็ทําทานก็ยินดีในการทํานั้นจริงเป็นผู้มีสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้านี่เป็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงยินยันว่าคนน่ะทนดีถึงแม้ว่าไม่มีสตังก็มีทรัพย์จะให้ทานเดีย๋ยห็นคนอื่นให้ทานโมทนาคือยินดีว่าแม้ดีจริงๆเราขอยินดีเขาด้วยแค่นี้นึกในใจตายแล้วไปสวรรค์แ น, น่ แล้วพอตรงตัดอย่างนี้แล้วยังตัดคาถาเป็นพุทธภาสิ่า พ, พวกคนตนีจะไปสู่เทวโลกไม่ได้เลยพวกคนผ่านย่อมไม่สรรเสริญทานคือความดีของบุคคลอื่นส่วนนักปราชญ์อาตโมทนาคือยินดีอยู่ในทานที่บุคคลอื่นเขาบุคคลอื่นให้เพราะอย่านั้นนั่นเองนักปราชญ์นั่นจริงเป็นผู้มีสุขในโลกนา นี่ท่านสรุปสั้นๆเป็นพระคาถาฐานาถาที่ต้องคิดตามน ะ, ะเป็นอนวุวาเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเทศย่อยอย่อจบเมื่อเวลาจบพระธรรมเทศนาราววัวกลรากรชุนหาอามาตต์ตั้งอยู่ในโซนาปริพั์การเทศย่อยอย่อคราวนั้นเขาองกสมเด็จพระทศพล ได้มีประโยชน์แก่บรรดาพุทธบริษัทที่ประชุมกันแล้วชุนธารมัดครั้นเป็นประโสดาวันแล้วได้ถวายทานโดยตำนองที่พระราชาถวายแล้วชิ่นเจ็ดวันเหมือนกันแล้วนี่รวมความเรื่องราวเข้ามานางมันอะไรม า, ามาก็้ความพระนางก็ดีพระราชาก็ดีแม้ต้องว่ากันทั้งสองหน้าท็พเพราะอะไรเพราะตีลัดไม่ได้ จะตีได้จะตีรักกลเสียเรื่องอย่าลืมว่าพระนางมานิกาเทวีท่านมีจิริยาดีมากแล้วกับราการที่สองพระเจ้าประสเสนที่กศลก็ไป็นปรารถนาเพื่อเป็นสมเด็จพระผู้มีพระภาคคือปรารธนาพุทธภูมิพระยาสองคนนี่เป็นคู่บารมีกับปรารธนาตั้งนานนานมาแล้วหรือว่าตั้งแตเด็กจำบันท่านปรารธนาพุทธภูมิใหม่ๆ บรรดาเพื่อนพิสุจน์สมณีทั้งหลายใ่ความจริงผมก็ย็นเย่อเหมือนกันเมื่อวันทุกใหม่ๆวันวานนี้อเสมหาพรมปติคอนี่ความทุกข์ของร่างกายเป็นอย่างนี้รวมความมาดทั้งสองท่านดีลูกลูกนับเป็นร้อยก็ดีอหมาค้าบริว่าบริพันก็ดีบรรดาประชาชนของท่านก็ดี คำว่า ด, ดีนี่ผมไม่หมายที่วันหนึ่งนะหมายที่เป็นคนดีหมดปรากฏว่าทุกคนเคารพในองค์สมเด็จพระบรมสุคตคือพระพุทธเจ้านล้ก็เชื่อ ว, ว่าทานนบารามีมีผลยิ่งใหญ่ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนให้ทานทานเนี่ยเป็นปัจจัยนิพพานได้แน่นอนเพราะว่าคนที่ให้ทานบรรดาเป็นพุทธบริษัท อารมณ์แรกหนึ่งต้องมีความรักสองต้องมีความสงสารถ้าคนที่เรารู้จักกันถ้าเราไม่รักถ้าเราเกลียดเราก็ไม่ให้เราให้เพราะความรักแต่คนที่ไม่รู้จักกันเราให้เพราะความสงสารวยความรัฐานี่เป็นปัจจัยตัดรูพระความโลภโลภเปนอันัรแรก นา่าใสเมตตาความรักกรุณาความสงสารคุณธรรมในสองรายการนี้เข้าไปตัดโทสะในตัวคนขี้เหนียวมโหมากคนมีจิตเมตตาปราณีคือให้ทางเก่งโมโหน้อยสังเกต ด, ดูเราะก็มีความรักความเมตตาแต่ความรักความเมตตาตัวนี้ก็เข้าไปตัดโทสะความโกรธทําอารมณ์ให้เยเือกเย็น แล้วก็ทําศีลให้บริสุทธิ์ศีลนี้จะบริสุทธิ์ได้เพราะเมตตา ก, กรุณาทั้งสองประการในเมื่อศีลบริสุทธิ์อารมณ์จิตก็เยือกเย็นเมื่อจิตเยือกเย็นเกิดขึ้นเพราะเมตตา ก, กรุณาสมาธิก็เกิดคืออารมณ์ใจที่ฟุ้งซ่านน้อยก็ปรากฏขึ้นมีการชนะนิวรมรมชนะนิวรอารมณ์จิตก็เป็นชานเมื่อชาสมาบัติสมาธิเกิดขึ้นปัญญาก็เกิดคือเห็นทุกข์ เห็นอริยสัตวบุคคลใดเห็นอริยสัตว์บุคคลนั้นเชื่อว่าเห็นพระพุทธเจ้าคือเห็นความเป็นพระอริยะเห็นอริยสัตว์ได้ก็ชื่อว่าเห็นทุกเห็นทุกได้ชื่อเห็นอริยสัตว์เห็นอริยสัตว์ตัวนี้ตัวแตกก็มาถึงคือไม่ติดในร่างกายนี้ต่อไปร่างกายเป็นปัจจัยความทุกข์เป็นสมุทฐานของความทุกข์หาความสุขไม่ได้อย่างนี้แดำบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย ให้กําลังใจแต่ละเอียดบุคคลนั้นถึงนิพนานแน่จะพูดมากก็ไม่ได้สัญญาณบอกคลี่ขึ้นมามันก็ต้องเลิกก็ต้องลาเป็นก่อนก็ต้องขออภัยเรื่องราวอันนี้ปรากฏว่าจะุณเล่าคุยขอกแครก็กขอกแคกไปหน่อยทางนี้ข้ออะไรก็เอาหนังสือมาอ่านเถ้าเรื่องนี้ไม่ได้รู้มาก่อนเอาละบรรดาสาวว่าก็โอ๋สมเด็จพระชินวร์ประเดี๋ยวเทปจะหมดคอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒน์แต่มองดวงคน สมบูรณ์ผนผลนอนฝันดีจิตเป็นสุขกะมีกัมันดาทต็มพุทธศาสนพนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี